อค์นบหนมเดชพาปุณิภะกัจจวัตรผู้ขจัดขีดทัสน์สุขทายโดยพาวิขอคารวาพระรัตตรัยข้ออาภูแนปตางนพอกมแล้วก็เพื่อนสาธมิตรครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ขอเริญพร้อมแม่ชีก็อยากยม นะปฏิบัติธรรมทุกท่านนะนะครับทำตามสบายๆนะครับนีพวกเราก็เป็นกัละยาณมิตรมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่หมายที่ได้ปฏิบัติธรรมเจริญชีวิตจิตใจ ก็เป็นที่พึ่งที่เป็นสาระอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำให้ทุก น้อยลมบานเทาบบาบานด้วยการเจริญสติที่นี้ก็เป็นยกมือสร้างจังหวะเตินจงกรมเป็นหลักแล้วก็เอามาใช้การเจริญสตินอกรูปแบบคือ การปฏิบัติในการชีวิตประจำวันเป็นการต่งเข้าวก็ดีเดินไปเดิน ม, มาขาดตายหรือว่าทำความสะอาดก็มีสติอยู่กับปัจจุบัน การเจริญสตินี้ก็ไม่ได้เน่งการความสงบความสงบที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นก็เราก็ไม่ได้แท่นบางทีก็ก็เข้าใจผิดว่าอยากจะ อยู่เป็นสงบเป็นนิยิๆถ้าเราติดกับความสงบแลว้วก็มีอะไรสิ่งใดยินงเสียงกระทบหูจากด้านนอกวันที จากหมู่บ้านเสียนรำพอดันดันก็รู้สึกว่างึกคิดพอเปิดก็จิตใจก็คับเข้มไม่ได้กว้างขวางเฮเราก็ไม่พอใจ พความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ความกรธก็เกิดแสดงว่าเล่าติดกับความสงบถ้าความติดการติดยังยุดมั่นถือมั่นทุกข์กันมันก็มีความทุกข์มันเกิดขึ้น โดยธรรมชาติถ้าได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียง ด, ดังๆ้อจิตใจก็ไม่ได้เงยงิดความโกรธไม่เกิดแสดงว่า สอบผ่านแล้วหรือว่าออกไปข้างนอกบินตบาดฝนตกมาจะเปลียดรู้สึกว่าตกใจน่าจะเอาร่มมาน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นยอมรับไม่ได้ ความไม่พอใจก็ทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีความร้อนความหนาวความเย็นนี่เป็นอาการของธรรมชาติเป็นอากาศแล้วก็ร่างกายอาจจะเป็นหนาวรอ้อน วันที่หิวข้าวกระหายน้ำอจิตใจก็ทุกข์ใจด้วยกังก็แสดงว่าสอบไม่ผ่านเพราะว่าเขาก็ยุดมั่นเถือมั่นน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นยอมรับ ปัจจุบันนี้เป็นไม่ได้ข้อท็กก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่จำกัดการเป็นอาการิโกเป็นธรรมถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีทางหาอุ ป, ปทาน ก็อาการนี้ก็ไม่เกิดแค่อาการเป็นนะั่งกายหนาวร่างกายหิวก็จบลมพระพุทธเจ้าก็ทัศสรุอริยสัจสี่ข้อสี่ประการทั้งแต่ทุกเกิดขึ้น แห่งความทุกข์ไม่ได้เป็นความทุกข์เขาต้องแยกแยะได้ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็มันทุกข์กายก็เป็นทุกข์ใจทุกแล้วก็ซ้ำๆขยายหรือว่า ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องใหญ่มันทุกข์นานนามเป็นจอมแวนเป็นโมโหโถ้าเรามีสติให้รู้เท่าทันแล้วก็มันจบได้ทันทีมันเกิดก็มันห็น ก็เป็นอาการเฉยๆมันก็าอาการก็มีเหตุปัจจัยเป็น24ประการก็มีหลายอยมังเหตุปัจจัยมั่งเกิดความทุกข์ได้แล้วก็มันรู้เข้าใจว่าเป็นทุกข์ จริงๆแล้วก็กรูปแวทนาสัญญาสังการมบญญาณเป็น5ทั้ง5่าเป็นกายกับใจนี้ก็เป็นอาการเป็นเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรา มันหลมหรือว่าลืมตัวก็เป็นอุปัฏทางก็เข้ามาเป็นอุปัฏทางรั้งห้าเป็นทุกข์ถ้าเป็นครั้งห้าเฉยๆนี่เป็นธรรมชาติทนแยกแยะตันสอนยาน เดิมตัวแล้วก็หลอนตัวนี่เป็นที่ใหญ่ที่ทำให้เราหลมหรือว่าจมในความทุกข์ได้การลดมนี่ก็ไม่มีสติสติไม่ทันการหลมนี่ก็ไม่มีปัญญาปัญญาก็ ไม่ได้มีพอค่อยเริมแล้วก็หลมถ้ามีปัญญาแล้วก็เราก็รู้เข้าใจไม่ได้หลมทามไปแล้วก็ถ้ามีสติก็รู้ไม่เริม ลืมแล้วก็กลับมาได้ถ้าเราเห็นทุกได้แล้วแยกแยะได้แล้วมีทุกแต่เราไม่เป็นทุกได้ก็เหมือนกับว่าเราก็ไปรมพพาวาลใช้เอ็กซร มีที่สาเหตุทำให้เกิดอาการทุกทางกายได้ถ้าเราไม่รู้สาเหตุอาจไม่ได้ไปรมงพยาบาลไม่ได้ หมอช่วยอาจจะเป็นโรคเป็นใหญ่ขึ้น่อขึ้นก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่าเป็นอาการก็ขึ้นไปหาหมออยู่แล้วก็รักษาเป็นถูกต้น ก็จะแก้ไขรักษาดีเร็วไม่ได้เป็นโรคเป็นใหญ่เป็นโตได้จิตใจเราก็เหมือนกันเป็นอาการความทุกข์ตาลใจถ้าเราปล่อยไปเดิมไปล้มไป แผ่นทุกมากทุกมากอาจจะเป็นเสียสติเป็นโรคจิตได้หรือว่าอาจจะกล้าตัวตายเพราะความทุกข์ก็ได้แจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรา วิธีการช่วยเหลือตัวเองให้เป็นตัวเองเป็นหมอเป็นพยาบาลให้เข้าใจช่วยด้วยปัญญาแล้วก็รักษาตัวด้วยตรงเองได้ถ้าเรา เข้าใจถูกต้องแล้วก็แหงสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ว่าเป็นอภิจาความหลมตั้งหาความตายัอยากแล้วก็ประทานแห่งความยึดมั่นถือมั่นทุกข์กันมันก็เกิด อาการทุกทันทีแล้วก็เราก็รู้หรือว่าปล่อยไม่ยุดมั่นถือมั่นไปก็อาการความทุกข์ก็ดับไปปัจจุบันทันทีเราก็เข้าใจมากขึ้น ว่ามันสาเหตุไม่ใช่มาจากอาดีตบันทีก็เอาเข้าใจผิดเรื่องอดีตาำย่างงี้ยังงั้นก็เกิดอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมองทุกครั้งนี้มันก็ ก็เป็นอาการความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเรายึดมั่นถือมั่นอาจจะเป็นยึดมั่นถือมั่นเรื่องอดีตไม่ใช่เป็นอดีตนะเรื่องอดีตเรื่องอดีตก็เป็นเป็นรูปภาพในใจ เรื่องเรื่องที่เราคิดมาเป็นสัญญาจริงๆแล้วอันนี้ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเราก็เอามาใส่ในปัจจุบันนี้เป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นเมล็ดพันธ์ทำให้เกิดทุกข์ได้โดยไม่รู้ตัวเอาเรื่องอดีตมาใช้ไม่ประโยค แล้วถ้าเราผู้ใช้เป็นเรื่องอดีตก็ช่วยได้มากแม้ว่าเป็นการลบของเรื่องอดีตแจ้งว่าเราทำผิดพลาดทำไม่สำเร็จถ้าเราคิดมันเกิดขึ้น นึกออกแล้วก็คิดไปคิดมาเป็นว่าน่าจะทําอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าตอนนั้นเขาทําอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดไปคิดมาก็เงยเคศเป็นจิตใจก็เครียดได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าเพราะสไม่สำเร็จหรือว่าผิดาพเพราะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเออก็บดเดียนได้โดยไม่ไมต้องทุกข์เอาบเรเดียนได้แล้วก็เอามาใช้ต่อไป เรื่องอดีตก็ไม่ได้ทําลายเราเป็นที่บทเรียนช่วยเหลือการสำเร็จต่อไปได้เรื่องอน า, า, าคตก็เหมือนกันเรื่องอน า, า, าคตรเราก็บันทีก็คิดกรรมบน แล้วก็ทำลายตัวเองแพงพวนแม้ว่าไม่ได้มาถึงแต่เราก็คิดในปัจจุบันแล้วก็หนึบผ้าที่ไม่สำเร็จน่นต่อไป ตัวเองก็ไปไม่ได้เสียอันนี้ก็ทดในปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่ได้เวาลาก็ไม่ได้สร้างอะไรอดีตนานาก็ก็ เราก็สร้างขึ้นมาเอานในใจแล้วก็ทำให้เวลามาทำลายเราก็แป็งการกรตามเป็นกรรมของตัวเองในาปัจจุบันนี้มันเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็ให้รู้เพ่งสาเหตุที่ทำให้อาการทุกที่ใจในปัจจบุบันนี้เป็นสัญญาณที่ดีให้เรารู้ว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นอยู่ก็เลยปัจจุบันนี้เราทุก ถ้าถ้าเรารู้สัญญาณว่าเป็นทุกข์เราก็มีความรู้มากขึ้นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นว่ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัย ก็ดับไปแล้วก็ทุกก็หายไปเป็นปฏิจจสมประบาทเป็นเหตุปัจจัยมั่งเกิดทุกข์ที่เราก็เรียนรู้จากอาการความทุกข์ของตัวเอง เป็นรัตนาเป็นพอร์ตมีค่าด้วยถ้าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วกอมีเมตตาเป็นการุณาก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อาจารย์เราไม่ได้ปอดคิดออแผนแม่ตาในการวาจาถ้าเราเรียนรู้ตัวเอนแล้วก็เกิดมาเอนเพราะว่าเราเข้าใจไม่ใจเป็นเขาเป็น สัตว์เป็นพ่อแม่เพื่อนเขาไม่ใจทำลายเราพอสาเหตุก็เป็นอาบิจาเป็นตังขาปัตตังถ้าบิจาร์ตังหาปตาัาาปตตังหายไปแล้วมีทุกข์ก่อ มีความสามารถที่จะเป็นดีได้แค่เราไม่รู้ตัวไม่เท่าตังกับอุปทานไปจิตยุดเแผ่นพบชาติก็เกิดขึ้นว่าเป็น ตัวเป็นเขาเป็นสัตว์แล้วก็เป็นจารามรันนาะแล้วก็ากางความทุกข์สารพัดยานแล้วก็อาการนี้ก็ทำให้ เป็นาบิจาสังข า, ามิญยามเป็นความคิดเห็นด้วยมีเป็นอัตาใส่เข้าไปเห็นด้วยเป็นอัตาแล้วก็ใส่ความหมาย พอด้วยอัตตาถ้ามาความไม่พอใจก็เกิดขึ้นแล้วก็ตัวเราแอบเป็นทุกข์และถ้าเราดูดีๆก็เป็นนาการเป็นทั้งหมดแผงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่เป็นตัวไม่เป็นตมว่าเป็นคิดสร้างถ้าเราตัวเราเป็นแล้วก็มันแห็งคับแคบไม่กว้างกวา้าง โดยทุกข์กมาขึ้นมากขึ้ น, นเรื่อยเรืยแต่เ ร, เรารู้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการเป็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในปัจจุบันนี้ดูดีๆไปเรื่อยเืด้วยสติ เมื่อคิมกี้นี้ก็คิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ดับไปแล้วเมื่อคี้เมื่อกี้ก็อาการความนึกนี้ศามุมอิจาริสยาแต่ว่าดับไปแล้วถ้าเราใช้ธรรมะเป็นอนิ จาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตก็ได้อา น, นิจจานี้ไม่ได้ทำลายเรามันก็เป็นแค่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติถ้าเรารู้แล้วอ๋อทุกนิดหน่อยก็าดับไปเองถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่อนเป็นราว ด้วยความคิดก็ดับไปแองนี่เป็นธรรมชาติหอนตกก็ตกตลอดนี่ไม่ได้ตกแล้วก็หายตาแดดออกตลอดก็ไม่ได้แล้วก็เป็งหอนตก สว่างขึ้นแล้วก็มืดดอนเป็นอาการเป็นธรรมชาติทานธรรมชาติด้านนอกธรรมชาติด้านในแปลงกายอบใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อย หน้าที่ของเราก็ให้รักษาให้ดีๆเราไม่ต้องทำหนี้เือเดือไม่ดีตัวกายใจตัวอนเรือดด้วยเมตตาการุาเอาใจใส่กับกายกับ ใจกายหรือว่าใจก็พยายามที่จะอยู่เป็นชีวิตเราให้เป็นเพื่อนกับกายกับใจของตัวเองถ้ากายกับใจมันทุกข์ ถ้าเป็นกายทุกทางกายก็บานเตาไปเสียทุกทางใจก็ละทิ้งปล่อยไปแช่ได้อยู่เป่นสึกไปเรื่อยๆได้ เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ให้เรียนรู้จากกายกับใจอาการนี้สอนเราได้สองให้เราไม่ดนทะลุสู่กัน แต่เราเรียนรู้จากกาลางของกายกับใจของตัวเราเองว่าเป็นธรราที่ดีที่สุดของธรรมะพระพุทธเจ้าก็มาดูกายกับดูใจแล้วก็บรรลุเป็นอรหรัน พวกเราก็เป็นเกิดเป็นคมเป็นมนุษย์เลยทำรอยของพระพุทธเจ้าได้ด้วยเราเรียนรู้จากอายับใจของตัวเองแล้วก็ไปยามจะแก้ไข รักษาตัวถ้ารักษาตัวเองให้เป็นเพื่อนได้แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนของเพืออ่อเอนญขอนที่รอบรอบตัวได้ดีเพราะว่ามันก็ใกล้กยกลกันใกล้กับ ใจนิจปัญญานิจจันแต่ถ้าเรารักษาพยายามก็ไปก็กายกับใจก็เป็นสุขภาพดีแต่ว่าที่ทำเป็นสมบิร์ก็ไปพยายาม ตัวเองให้เป็นเป็นสุขภาพต่างกายดีทันใจดีอำเพอหนี้ก็จะช่วยเหลือพือื่นให้บรรเทาความทุกข์ก็ช่วยได้เพราะว่าเราก็เรียนรู้จากตัวเองแล้วว่าเออไม่ใจตัวเองนไม่ดี กอบแก้อาปิจารหรือว่าตั้งหาอุปตานนังเองที่ทำให้เราทุกข์เปงคนที่กรอก็เหมือนกันตัวเราก็เคยเป็นไม่รู้ตัวสติไม่รู้เท่าตันแล้วก็กอดมาเป็นประสบการมีแล้ว ก็เลยเรากเกล้าใจใส่คนที่ความโกรธเราว่าดาแสดงว่าก็เริมตัวหลอมบ้างก็เลยแม่ตาโตการนาให้เป็นเขาเป็นคนที่ให้รู้มีสติมีปัญญาให้เกิด โดยการที่แน่ก็ได้หรือว่าดยเป็นรูปแบบที่ดีให้เห็นทำให้ดูก็ดีจะได้มีเขือนเรือก็ ขยายออกไปเรื่อยๆก่อนที่รอบตัวทษกมันน้อยรลอมแล้วก็สังคมประเทศชาติก็ค่อยๆทุกมันน้อยรลอเป็นดีขึ้น ก็เป็นตัวเอ็นก็เป็นหลักที่ให้ช่วยเหลือตัวเอนรักษาตัวเอนเรียนรู้จากตัวเอนก็กลายเป็นของเออแล้วก็สังคมชาติก็เป็นสุดเป็นกระแสสารได้ ไปเรื่อยๆก็คิดว่าโชคดีนะพวกเราทุกของเข้ามาอยู่สุกัตโตสัมผัสกับกายกับวาจาอาจายของตัวเองให้ได้เถ็มที่เป็นมีโอกาสคือวาจาก็สอนเป็นกาลยนตมิตรอยู่ด้วยกัน ก็ได้เป็นโอกาสที่ทำให้เข้าใจตัวเองแล้วก็มีสติปัญญาสร้างขึ้นไปเรื่อยๆ่อไปก็นจนจะแยกแยะไปถากับบ้านเข้า สังคมเป็งกอบกัวเป็นที่ทำกลางเราจะามาใช้ที่เราจะเดินในโอกาสนี้ไปเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แล้วสัตว์ตั้งได้ทุกๆสัตว์ก็เป็นกุญแจที่ทำให้มีกัดสุดกระแสในสังคมเปิดนี่ก็เป็นตัวเราแองทุกๆคนนะครับ ก็สำหรับเจนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้อาทุกทุกท่านเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมใช้สุขโตป็นประโยกโต่ชีวิตคนเราทุกทกลมเป็นภาวะปัจจัยที่ทำให้เกิดมีความสุขเจริญอายุอนาสุขภละก็อเจริญสติปัญญา เอาไปสือมรรคผนิปานทุกๆุกชีวิตในปัจจุบันอาชาตินี้ทุกๆุกอนเธอ